เมตตาอุทกภัณฑ์และผู้สนใจธรรมะทั้งภายในภายนอกทุกท่านวันนี้นี่ตอนแรกทางนี้ได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าการจัดการความโกรธแต่บางเนิญตมาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยไม่พร้อมจะจัดการเพราะว่าถ้าถ้าพูดเนี่ยตั้งใจจะพูดให้ครบผม ก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วเขาเปลี่ยนเป็นให้พรปีใหม่แทนนะเปลี่ยนมาเป็นให้พรก็พรมาก็ไม่ซ้ํากันนะเพราะว่ามีคนมาขอพอรเยอะมากทีวีนี่ทุกช่องนะ่ะถ้าให้ซ้ํากันทีวียัก็บอกว่าคงไม่เป็นผลดีนะอันนั้นก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพรมามันเปลี่ยนทุกวันวันนี้แต่มาก็เปลี่ยนเหมือนกัน อดีตมาได้เขียนสพสไว้ชื่อว่านยัยยอนเลึกล้ําของคําขอบคุณเพื่อเป็นพรแก่เราทุกคนนัยยะอนเลือกล้ำของคําขอบคุณเนี่ยอ่าเป็นวิธีมองโลกในแง่ดีแต่แตะมาไม่อยากจะบอกว่าเป็นวิธีมองโลกในแง่ดีเพราะเดี๋ยวนี้มีคนชวนให้คิดบกเยอะมากมันซ้ําๆก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนัยยะอันเลืกล้ําของคําขอบคุณคือให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมุมมองใหม่ แล้วเราก็จะเห็นว่าถ้ามองด้วยมุมมองใหม่เนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเช่นขอบคุณความไม่มีที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ขอบคุณความยากจนที่ทำให้เป็นคนมัาวมานะขอบคุณความล้มเหลวที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญขอบคุณความผิดพลาดที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิมขอบคุณความริษยาที่ทำให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ขอบคุณคำ ว, วิาพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้ปลี่บานอย่างไรข้อตําหนิขอบคุณความไม่รู้ที่ทำไม่รู้จากครูชื่อประสบการณ์ขอบคุณความผิดหวังที่ทำให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่ขอบคุณศัตรูที่แข่งกล้าที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่เบื่อชีพขอบคุณมหกรรมคอรับชันที่ทำให้เราอยากสร้างสรรค์การเมืองใหม่ขอบคุณความป่วยไข้ที่ทาให้เราตั้งใจดูแลสุขภาพ ขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้รู้ว่าความสุขมีค่าแค่ไหนขอบคุณความทัดรากที่ทำให้เราสลัดจากความยึดติดถือมั่นขอบคุณเพลิงกิเลสที่ทำให้เรามีเหตุจากถึงพระนิพพานขอบคุณความตายที่ทำให้ฉากสุดท้ายของชีวิตสมบูรณ์แบบนี่เป็นการมองโลกโดยโลกธาตุแชรบวกซึ่งภาษาพระท่านเรียกว่ากุศลภาวนาการคิดเพื่อให้เกิดกุศล วิธีคิดมันมีสองอย่างหนึ่งคือคิดแล้วคือเกิดอกุศลคนจํานวนมากเวลาคิดแล้วเกิดอกุศลแต่ถ้าเราได้เรียนธรรมะแล้วเราจะคิดแล้วเกิดกุศลคือเกิดแต่สิ่งที่ดีที่งามลําเลิศขึ้นมาคนไทยนี่มีแนวโน้มการคิดในลักษณะอกุศลนะฉะนั้นเวลาที่เราอยากรู้ว่าจักรยภาพของวใจเราทํางานได้แค่ไหนลองปล่อยใจทํางานตามปกติดูนะ ไปเจออะไรไปเห็นอะไรลองให้ใจมันกระทบตรงๆยังไม่ต้องทำอะไรนะให้ใจมันกระทบตรงๆแล้วคุณยอมจะรู้ว่าบางที่นที่ชีวิตของเรามันไม่ค่อยรื่นรมก็เพราะใจของเรามันถูกเคลือบแฝงด้วยคติมากมายเลือกเกินเราไม่มีกุศลจิตคนอย่างนี้เป็นคนมีการนะ ไม่มีโอกาสได้ชิมชมอะไรดีๆนะธรรมานี้จะเจอบ่อยครั้งหนึ่งธรรมาไปออราดการโทรทัศน์โยมโทมท่านอาจารย์คนนี้พูดดีมากเลยอะต่เสียอย่างเดียวกนะ็สังเกตว่าผมอาจารย์ยาวไปหน่อยนะ <c oughs> อู้ธรมาเลยบอกโยมเอาสิ่งที่อยู่ในหัวนี่ <c oughs> มันยังไม่ถึงมันโกนจะให้มันทันได้ไงอะเนี่ยมีขนาดนี้นะคนเรานอะอูม้มนุษย์แปลกมากนี่พวกอากูศซเจ็ด คิดลบพอคิดลบพระพุทธเจ้ามาขคาประตูยังไม่ได้ประโยชน์จากท่านเห็นไหมคุณลอ ง, องแต่ถ้าเราคิดบวกต่อให้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะคนอย่างนี้ก็มันรู้ทําได้ก็รัสรู้ได้ทีนี้ทานพุทธประยาเรื่องหนึ่งเล่าไว้พ่อกับลกอยู่ด้วยกันมาต่อมาพ่อเข้าไปในบางใบขายเฟิร์นปรับไม่ทนันรถเกิดอุบัติเหตุคืนนั้นโจนมาปลอนบ้านเผาทับกระท่อม โจนอุ้มมาลูกน้อยไปอยู่ในชุมชนพ่อกลับมาเห็นบ้านเหลือเหลือแต่ตอตะโกทุกร้องหอมร้องไห้ตามหาลูกไปเจอกระดูกอยู่กองหนึ่งอกุศลเจ็บนี่ล่ะลูกฉันรวบรวมเอากระดูกใส่ไถ้คือใส่ถุงแล้วหกแล้วเหินไปไปถึงชายไปเหนหนึ่งไปสร้างกระท่อมใหม่เอากระดูกของลูกวางไว้ใหง บูชาได้บทสรุปว่าลูกฉันตายแล้วในกองเพลิงต่อมาลูกเลื่อนรอดนี้จากชุมชนมาได้ตามหาพ่อรู้ว่าพ่อไปสร้างกระท่อมอยู่ตรงนั้นลูกไปถึงตอนเที่ยงคืนเรียกร้องพ่ออยู่สามชั่วโมงพ่อได้ยินแต่ไม่เปิดประตูเพราะพ่อบอกว่าลูกฉันเหลือแต่กระดูกใครเด็ดมาหลอกมาหลอนฉันเลยป่วยการตับลูกเคาอยู่จนถึงตีสี่ไม่ได้ยินเสียงกูรักกลับไปอยู่ในดงชน พ่อและลูกพัดพรากันตั้งแต่นั้นเห็นไหมคุณทุกคนคนที่มีกุศลเจตของดีมาอยู่ตรงหน้านะยังต้อนรับไม่เป็นเนี่ยถ้าวิธีคิดของเรายังเป็นลบอย่างนี้ปุ๊บชีวิตนี้รำชีวิตคุณจะได้ต้อนรับแต่ของที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณมองโลกเป็นมองด้วยกุศลภาวนามองด้วยวิธีคิดเชิงบวกแม้กับทั่งของที่ไม่ดีนะ พลิกเป็นได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสำหรับคนมีปัญญาท่ามกลางความทุกข์ก็แสวแหงหาความสุขได้เราต้องเป็นคนประเภทนี้นะแต่คนส่วนให ญ, ญ่เนี่ยท่ามกลางความสุขก็ขพลิกให้เป็นทุกข์ได้เป็นอย่างนั้นนะหรือเมืองไทยนี่มันอยู่กับอะไรที่โหดร้ายมาจนเคยชินพอเจอของดีรู้สึกผิดปกตินะไม่รู้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเอาทีนี้เราก็มาดูวิธีคิดในเชิงบวก ความคุณความไม่มีที่ทำให้รวิทีลุกขึ้นสู่ขอเล่าตัวอย่างเมื่อวันวันธรรมภาพไปบันทึกรายการ The l ล a เดอร์ผู้นำกับธรรมะรายการนี้โชคดีมากนะทำให้ธามมาได้เจอสุนยอดซี o โอประทไทยทั้งนั้นนะรายการของคุณทานาชัยเคลเนชั่นนะออากาสที่วังไกลกังวลธรมมาได้เจอยอดมนุษย์ทั้งนั้นแนะ่ะเมื่อวันมีซีโอสามคนคนหนึ่งเป็นผู้ ทุกชีวิตสื่อสิ่งพินพ์ c o ชั่นคือคุณธนาชายัยคนหนึ่งเป็นเจ้าพอ่อเขาเรียกว่าโลจิสติกขนส่งทางน้ำทางบกทางอากาศแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเจ้าพอ่อโลกไซเบอร์สเปซนำข้าวเคเบิลใยแก้วนำแสงวางเัื่งแต่ชมงรายทั้งส่วนไหก็โลกที่เราส่งสัตม์สคมชัดทุก ว, วันนี้นะ โทรศัพ์โทรศัพท์เคเบิลทีวีเดาเทปอะไรคนนี้ทำสามคนนี้มีประวัติเหมือนกันคือเกิดในที่ธรณีสองเหมือนกันเรียนที่เดียวกันคืออาสัญชาตพาณิช์และทำงานเริ่มแรกเหมือนกันคือทำงานกับฝรั่งและสุดท้ายกลับมาเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันทั้งสามคนและบั้นปลายชีวิตมาพบกันตรงไหน ปฏิบัติรรมมาเป็นสหายธรรมปีที่แล้วร่วมกันทอดกระินสองพันวัดทั่วประเทศไทยนะทอดทีหนึ่งร้อยล้านกระจายนะกระจายไปแล้วปรากฏว่าทุกคนก็มีกติการดำเนินชีวิตที่แปลกคือทำงานไปทำงานไปทำงานไปจนกระทั่งมีเงินกองมัหาราลนก็คิดเหมือนกันหมดว่ามีเงินขนาดนี้แล้วไงต่อ พอเห็นว่าชีวิตมันล่งๆก็พลิกกลับมาทางธรรมกันทุกคนแต่มภาพก็ได้คุยด้วยหนึ่งในนั้นก็คือคุณธานาชาัยเล่าว่าแกจนมากพ่อแม่มีพี่น้องเก้าคนแกเป็นคนที่สามจนขนาดว่าไปสอบเข้าโรงเรียนได้แล้วเนี่ยค่าสอบเข้าเนี่ยสี่สิบห้าสิบบาทเอาไปขอยืมเอาการเกณของพี่ชายไปจำนำ เอากันกิงพี่ชายป็นจำนำแนละได้เงินมาเป็นสมัครสอบพอสอบได้ปุ๊บจะต้อง เ, อเอสียค่าเทอมอีกสักทันหมากแกบอกไม่เป็นไรพี่ยังมีการเปลี่ยอีกตัวหนึ่งวจจนขนาดนี้นะจนมากทีนี้ต่อมาก็ไปเรียนที่อ่านสำชัญทานนิดเรียนแค่ข้าเส้นเท่านั้นเองที่นี่ยสำชันทานนี้ในยุคนู้นสาสิบปีที่แล้วเนี่ย เขาขึ้นชื่อมากว่านักเรียนที่นี่นะสอบเข้าสองร้อยจะจบจริงๆแค่ห้าสิบแล้วคนที่จบก็คือยอดมนุษย์เพราะฉะนั้นสามคนที่เล่าใน ท, ทุกครั้ง น, นี้เป็นยอดมนุษย์ทั้งหมดบริหารองค์กรเรียกว่าเงินระดับพันล้านทุกคนคุณานานชายก็เล่าว่าพอเรียนจบปั๊บเพื่อนๆแกเนี่ยบริษรัทต่างๆมาจองหมดเลยนะแกนี่ไม่มีใครจองเลยแกเดินเข้าไปถามอธิการพอครับ ทำไมทางโรงเรียนไม่แนะนำผมให้บริษัทไหนเลยอ่ะพรกะแกเดินเข้าไปนะอธิการดึงลายชื่อนักเรียนนะใส่ลิ้นชักปิดปึ้งซึ่งๆหน้าให้เห็นเลยนะว่าฉันไม่ชอบแกเธอชอบหลับในเวลาเรียนก็จะมาอะไรตอนนี้ปิดปึ้งเดินกลับออกมาทีนี้แกเป็นบุคคลประเภทขอบคุณความไม่มี ที่ทําไม่รู้ทีลูกคิดสุแกบอกว่าได้ไม่แนะนําใช่ไหมได้จับให้หแกคิดอย่างนี้แกก็เลยไปสมัครบริษัทต่างๆนะพี่น้อเป็นร้อยบริษัทแล้วนะส่งวันมันไปหมดเลยแล้วที่อยู่ติดต่อกลับไม่เอาลงบ้านแกนะเอาลงที่โรงเรียนภายในสองอาทิตย์นะบริษัทต่างๆติดต่อกลับมากชื่อนายธนาชัยเป็นร้อยบริษัท ให้ยทางโรงเรียนเห็นกันไปนเลยว่าไอ้หมอเออนี่ยมันเนี่ยมาจนครูเรียกไปหาว่าเขาเก่งขนาดนี้นหรอแต่ไม่เขาติดต่อที่มาที่นี่ต่อดเลยเนี่ยโรงเรียนไม่เป็นอันทําอะไรเลยเนี่ยรับโทรศัพท์ทุกบริษัทติดต่อที่อื่นเธอเ ห, อหอมดเลยบนนั้นาชัยก็บอกว่าแล้วเป็นไงให้มันรู้กันไปว่าถ้าไม่แนะนําผมผมถึงต้องลุกขึ้นมาแนะนําตัวเอง เชื่อไหมคุณโยนพอทำงานไปปั๊บเนี่ยก็ไปอยู่บริษัทฝรัง่งตั้งเงินเดือนเองได้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าต่ำกว่าพันห้าไม่เอาเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะได้ทำงานครั้งแรกก็ประมาณสามถึงห้าพันอยู่มาภายในสองสามปีแกบอกว่าถ้าเทียบเป็น4ีนะ4ีสิบเอ็ดมีเงินเดือนจนฝรั่งเชิญออกอะ่ะบอกว่าเราดูแลไม่ไหวละเพราะอะไรแกก้าวกระโดดสองขั้นทุกปี เวลาไปรับเงินเดินคู่กับฝรั่งฝรั่งจะมองเลยนี่หมอนี่ทําไมเงินมันเยอะเบ ก, กสุดท้ายเจ้านายเรียกไปคุยบอกว่าไม่ไหวนะคุณเงินเดินเยอะแกก็เห็นไหมถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะถึงเวลาที่เลิกเป็นลูกจ้างเขาสักทีนี่ก็เลยกลับมาทําธุรกิจสารพัด ท, ที่จะทำบทสรุปของแกก็คือว่านี่แหละขอบคุณความไม่มีเต็มใจไม่รู้ที่ลูกขึ้นสู้ คือไม่มีใครแนะนำํำคนเรานี้ถ้าคิดไม่เป็นนะคุณดับนะพอไม่มีใครแนะนําจะทอนะท้อทุกบนเพราะฉะนั้นข้อหน่งเนี่ยถ้าดูตามชีวิตคุณทานาชัยเวลาไม่มีใครช่วยเวลาไม่มีใครแนะนําถ้าเราคิดในทางกับกันเราจะลุกขึ้นสู้ไม่มีก็สร้างมันขึ้นมาไม่มาก็เดินก็ไปหาอันนี้เป็นตัวอย่างชั้นยอด ต่อไปขอบคุณความยากจนที่ทำให้เป็นคนโมกมานะจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ใช้ตัวอย่างคุณธนาชัยได้เลยตัวอย่างเดียวกันแต่เดี๋ยวเล่าอีกนิดหนึ่งแล้วกันเปลี่ยนตัวอย่างนิดหนึ่งนะเอาของคุณสุดที่ชัยแล้วกันคือเนชั่นนี้มันมีแต่ชายช้หมดเลยนะสุดที่ชัยก่อตั้งธนาชัยเข้ามาเรียนจิเนอร์ลิ ธนชัยอำนวยการอดตมานีพุฒิชัย <laughs> คุณสุทีิชยัยเนี่ยจนมากไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีเส้นขนาดว่าพ่อไปโจทก์ทะเบียนลูกชายสองคนพี่กับน้องอะได้นำสกุลมาคนละนำสกุล <laughs> ไม่มีสิทไม่มีเสียงจริงๆคืออำเภอจัดใา้ยังไงก็เอาตามนั้นะไม่รู้เรื่องพี่ได้สุทีิชัยยุ่นน้อง อำเภอจนให้เป็นสุดที่ใช้หยองก็ <Okay. S 1> ใช้เทพ ช, ชัยเท่านั้นเทพชัยก็ใช้มาจนติดจนทุกวันนี้ก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนยืนกระยองพ่อเดียวกัน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มาได้ยังไงสองพี่น้องนี่ยากจนมากนะะยากจนจริงๆขนาดว่นสามทุ่มพอปิดไฟสองคนพี่น้องเดินออกไปที่ถนนเทศบาลเอาหลังพิงกันอ่านหนังสือใต้แสงไฟของเทศบาลจนขนาดนะั้น แล้วช่วงไหนที่บ้านไม่มีเงินจริงๆแล้วนะพ่อจะเตือนลูกหน้าบอกว่าลูกเดี๋ยวพวกนี้อาหารจะลดลงอย่างหนึ่งนะเป็นวิธีวิธีเตือนลูกที่ดีมากคือคุณสุทธิชัยบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่พร้อมจะเลี้ยงลงูกอย่าหลอกลูกว่าเรายัางมีบอกเขาไปตรงๆให้เขารู้ว่าไม่มีก็คือไม่มีคนจำนวนมากไม่ได้สอนลูกอย่างนี้นะหน้าใหญ่ใจโตนะไม่มีแต่พยายามรักษาภาพลักษว่าเรายัางมีนะลูก ลูกเต็มที่ ล, ลูกของแม่เสีอย่างปีหนึ่งหนึ่งแม่เลยจ่ายค้าภาพลักษไม่รู้เท่าไหร่เพื่อให้ลูกได้เชิดหน้าชูคอคุณสุทธิชัยบอกว่าพ่อจะพูดเสมอว่าถ้าไม่มีทุกคนต้องกลับตัวเข้าสู่ความไม่มีไม่ใช่เสียเส้ว่ามีก็ยากจนค้นแขนแต่พ่อมีนิสัยทัดหน้ารู้ว่าพ่อก็จนแม่ก็จนจึงจ้างครูพรั่มาสอนภาษาอังกฤษ ก็จ้งครูฝรั่งมาสอนมาสังกฤษจนกระทั่งเก่งแล้วก็อาศัยจับแขกที่เป็นฝรั่งนําฝรั่งเที่ยววันหนึ่งคุณสุทธิชัยก็จะมาเรียนที่อัสสัมชัญเหมือนกันตั้งใจมาเรียนที่อัสสัมชัญคุณยอมเชื่อไหมว่าพ่อแม่มีเงินให้เท่าไหร่พ่อคุณสุทธิชัยเอาเงินให้ค่าตั๋วรถไฟเฉพาะขาไปเท่านั้นคุณสุทธิชัยถามพ่อแล้วตั๋วรถไฟขากลับอยู่ไหนอ่ะพ่อบอก แกไปหาอวดหนะ้า <surf home> แล้วเป็นยังไงแกบอกว่าทํางานเงินเดือนเดือนแรกที่บางกอกโพสได้เงินเต็มกระเป๋าเพราะฝรั่งมาให้เงินเดินสูงนะคนรุ่นนั้นถ้าคนไทยสมัยนั้นให้แปดร้อยนะปริญารธุรกิจฝรั่งเขาให้ที่ที่เท่าไหร่ที่สองสามอันแล้วอ่ะพรั่งเขาให้เยอะมั้ยได้เงินเดือนเดือนแรกตุงกระเป๋า พับเงินทั้งหมดใส่ซองส่งให้พ่อกับแม่แกเล่าว่าจนทุกวันนี้ไม่เคยใช้เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ให้พ่อกับแม่ทั้งหมดขอบคุณความจนที่ทำให้เป็นคนที่มู่มนะ่ะคือแกเรียนเนี่ยสำชันได้ได้แค่ปีสองไม่จบไปเรียนที่จุฬาไม่จบรู้ว่ายากจนนักก็ไปสมัครทางานพอไปสมัครทำงานแล้วฝรั่งรับ เขาฝรั่งรับแล้วก็ไปที่จุลาเรียนภาคกลางวันด้วยรู้สึกแกจะเรียนภาคภาคกลางวันแล้วแกไปขอเปลี่ยนมาเลยภาคกลางคืนเพราะกลางวันแกจะได้ไปทํางานจุลาบอกไม่ได้แกบอกว่าถ้าอา จ, จารย์ไม่ให้ถงย้ายงั้นผมออกได้งั้นแกออกเลยคุณสุที่ใจมาแล้วว่าตอนนี้ถ้าไปดูประวัติของแกที่จุลานะ นายสุทธิชัยเขาจะเขียนเอาไว้ว่าเปลี่ยนไม่จบแล้วแกก็ขำแก้ขาแก้ขำเพื่ออะไรเพื่อจะบอกให้รู้ว่าใครที่วางชีวิตของตนพุ่งไว้กับป ร, ริญญาแล้วคิดว่านั่นคือเครื่องการันตีความสําเร็จขอให้รู้ว่านั้นน่นเป็นความคิดที่ผิดนี่คือตัวอย่างบุงคนที่พอจนแล้วก็โบมานะ คนจนนี่มีหลายประเภทนะบางคนจนแล้วโทษพอโทษแม่ว่าไม่เตรียมอะไรไว้ให้บางคนจนแล้วก็ทโทษกรแห่งกรรมชาติแล้วคงไปกุงไปกินเข้ามายชาตินี้ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอกินไม่พอใช้โทษโกดแห่งกรรมก็ยอมสันน่นก็มีคนเชิงบางประเภทเท่านั้นที่เมื่อยากจนแล้วก็ได้เป็นคนที่มุมนะ่งมั่ เพราะฉะนั้นเราไปดูต่อไปนะขอบคุณความล้มเหลวที่ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญอันนี้ง่ายตัวอย่างง่ายง่ายผู้หญิงที่เป็นหนึ่งในห้าสตรีผู้ทรงอิทธิพลของโลกจากการจัดอันดับของนิตยสารในปิทโลกฉบับหนึ่งดีอีโคโนมิสต์ก็คือเจคเกอลลิง สเกรูลินนี่เขียนนิยายทำกลางความเส็นงชีวิตนั่งรถไฟเดินทางจากเวลไปทุรานที่ใดที่หนึ่งเสี่งเขียนเขียนแล้วก็ส่งไปไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีอะไรถูกตีกลับสิบสองครับไม่เยนเินต่ตีกลับนะเขาแนบจดหมายการบมาด้วยยุคโลกาภิวัตนะคะคุณมันจะมีพ่อบบทได้ไงเลิกคิด เจ็บปวดมากนะถูกตีกลับมาสํานักพิมพ์วิจารย์ยังไงเอาไปหาหมอนังสือช่วยวิจารย์ช่วยปรับช่วยแก้วสุดท้ายครั้งที่สิบสามส่งไปอีกสํานักพิมพ์ก็ตอบมาว่าเออเราดูแล้วนะเนื้อหาเนี่ยใหม่ดีมีจินตนาการจะลองพิมพ์แรกกันแล้วกันสักเล่มหนึ่งปรากฏว่าลองพิมพ์เล่มแรกขายดีระเบิดเถ เ, เทิงเป็นเทน้ําเท่า ว่ากันว่าตอนนี้ทรัพสมบัติของผู้หญิงคนเดียมากกว่าควีนอลิซาเบธที่ที่ Darling, เจเคโรลิงแอไปเสียปลักเพื่อขอโมยไฟฟ้าเขียนต้นฉบับ น, นะตัว น, นี้พวกอังกลี่ยนหัวใสจัดทัวไปลงตรงนี้เราเคยนั่งเขียนต้นฉบับ น, นี่ทุกอย่างกลายเป็นพาณิชทั้งหมดรวยเห็นไหมก็ความล้มเหลวสิบสามครั้ง สร้างนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของโลกฉะนั้นถ้าเราจะล้มเหลวกันเลดิน้อยหน่อยไม่ต้องตกใจนะครั้งสองครั้งไม่ต้องไปกระโ ด, ดดตึกเอาต่อไปก็ขอบคุณความผิดพลาด ท, ที่ทำให้ฉลาดยิ่งกว่าเดิมชีวิตคนเราก็คงเคยผิดพลาดกันหมดที่นั่งอยู่ในห้องนี้ไม่ไม่มีใครนะบริสุทธิ์อาจาคิดว่าคนที่บริสุทธิ์ที่สุดมีสองประเภท หนึ่งยังไม่เกิดสองตายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยกระดมการร่างงน้นนะไม่เรีนแม่กระทำกงอตมาทำไมยังต้องกระำกันอ่ะกว่าจะมาเทศมันสอนได้นี่ก็คลุกฝุ่นมาสารพัน่ะความรู้ต่างๆที่ได้มาต้องไปแอบเรียนทั้งนั้นคิดดูนะคนอื่นนี่เขาตั้งใจเรียน อดมามันนี่ต้องแอเบเรียนนอะอินพิมดินนี่ก็ไปแอเบเรียนแต่เขาเรียนกันหกเดือนจบครูจัดให้แค่สามเดือนอ่ะกลัวจเจ้าว่าครูเรียนด้วยความหวาดระแวงจนจบมาแล้วยังไม่รู้จักชื่อครูสอนเลยอ่ะรู้แต่ว่าครูเป็นทองรู้แค่ น, นั้นอ่ะไม่กล้าถามชื่อครูแ้วทุกวันนี้ต้อมาพิมพ์งานต้อมาพรมนิ้วลงบนต้นสบายเลยนะภาษาอังกฤษก็ต้องแอบเรียนกับไปเอเ็มซีเอเพราะอะไรเพราะว่า ที่วัดให้เรียนแต่ธรรมบาลีแตามาภา่าเรีนจะลักลอบออกไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายวันไหนเจา้าวาดเผลอไปเขียนที่มลแตามาก็ลักลอบออกไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดถ้าเดิเล่นลอดออกไปก็ต้องเลือกระหว่างอาหารสมองกับอาหารเพศถ้าได้ไปแต่เช้าก็อยู่จนถึงสี่โมงก็วันนั้นก็ต้องไปฉันเพศก็เลือกเอาจะเอาอะไรก็ทําอย่างนี้มาโดยลําดับคนหนึ่งก็เดินผ่านสมาคมวายเอ็มซีเนี่แนะ ปรการรับสมันักเรียนเรียนมาสังเกตก็ไปขอเรียนสมาชิกก็ไปขอเรียนเขาก็บอกไม่มีธรรมเนียมาันพรมาเรียนของคริสต์ยังแมนรุสเตียนรอเฟเชียใช่ไหมวัยเสี่ยสมาชก็เลยบอกว่าพระเจ้ารักคนน้องหรอกไหยอันนั้นมันของแน่ก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้ท่านรักอาตมาคนหได้เรียนนะก็ทุกวันนี้ทางสมาคมเขาดีออกดีใจว่า คนหนึ่งของที่นี่คือท่านหมอเนี่ยมันไม่เหมือนตอนสมัครครั้งแรกนะยสมัครครั้งแรกเนี่ยเเห็นอาตมาตหัวทำไมขีดเนี่ยนะแตกมากแล้วเรก็เรียนรู้จักความผิดพลาดของเรามาเรื่อยๆนะแอบเรียนแอบพรียนแล้วก็แอบผิด พ, พลาดเนื่องจากชีวิตมันไม่ได้สมบนนะูรณ์ะความรู้ที่มีมาก็กลับห้องกระแพง้ง อาจาพูดภาษาังกตในกริยาสามช่องมันพังเป็นแถบๆนะไม่ต้องห่วงหรอไม่ถูกหรอกเพราะว่าถ้าพูดถูกอามาก็เป็นได้อย่างดีก็ครูสอนภาษาอัเกตเพราะพูดไม่ถูกมันเลยทําได้มากกว่านั้นไงเห็นไหมโน้ตทำโน้ตทานี่ผิดพลาดมาเลยความผิดพลาดของอาตมารยพ่อเป็นความผิดพลาดในเรื่องของการพยายามสแสดงหาปัญญาซึ่งบางเรื่องอาจารย์คิดว่าอาจารู้แล้ว พอมาได้อ่านความรู้ใหม่ว่าไม่ใช่เว้ยต้องมาค้นใหม่มาคว้าใหม่ความผิดพลาดของปัญญชนเนี่ยเขาไม่กังวลเรื่องความผิดพลาดเรื่องการดำเนินชีวิตเขากังวลความผิดพลาดเรื่องการไม่รู้จริงนะปัญญชนจะกังวลเรื่องนี้แต่คนส่วนใหญ่นี่กังวลความผิดพลาดอะไรความผิดพลาดเรื่องการอยู่การกินการปฏิสัมพันธ์การเงินการทอ ทางพูดธของเรานี้ยท่านบอกว่าให้มองความผิดพลาดเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราฉลาดยิ่งกว่าเดิมสุดยอดของคนที่ผิดพลาดบรัมบ์เบนคอนสิบห้าครั้งคุณรำผิดพลาดอยู่จนกระทั่งครั้งที่สิบนี้โลกประสาทกินเนะื้อไปเล่นการเมืองแล้วลงทุนทําธุรกิจกับเพื่อนเนาะเพื่อนตายแล้วทีนี้มาให้แกต้องโทษใช้ประสาทกินเยอะพักหนึ่ง จนครั้งสิบห้าได้เป็นประธานาธิบดีทุกทุกครั้งที่แกลงสมัครแกถูกตราหน้าว่าเรียนหนังสือก็ไม่จบแกได้เรียนหนังสืออย่างเป็นทางการสองเดือนตอนอยู่ในบ้านหลังเขาแต่ผู้ชายคนนี้ขยัอ่านหนังสือมากทุ่งเทการอ่านมากครั้งหนึ่งลุกขึ้นพูดในสภาในฐานะสสใหม่ถูกคนก็โฮหฮาป่าทั้งรัฐสภาแ ก, แกบอกว่าขอบคุณเพื่อนสมาชิก ที่วันนี้ท่านให้เกียรติผมด้วยการโ h หาป่ากันทั้งรัฐสภาผมหวังว่าโอกาสหน้าหาผมได้ลุกขึ้นพิ่มเด็กทุกท่านจะตั้งใจฟังผมด้วยความเคารพขอบคุณครับทีนี้แกได้เป็นประธานาธิบดีนะได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีที่มีกีปากจัดจ้านที่สุดของอเมริกาเพราะแกเป็นเจ้าของวัตทองประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อ<ม>ประชาชน นี่คนที่ผิดพลาด15ครั้งนะก็ยังรู้ขึ้นมาได้ขนาดนี้ฉะนั้นพวกเรานี่ผิดพลาด น, นีดนิดหน่ยนะ่ะยกิ๊กกิ๊กเข้าเ้าเหนือไปเสียกเสีใจนะเราควรจะต้อนรับความผิดพลาดพอพอจะต้อนรับความสมหวังในราคาเดียวกันเพราะนี่คือส่วนประกอบของชีวิตคนจะนวนั่งยินดีต้อนรับเฉพาะด้านที่สมหวังประเด็นเสียด้านที่ผิดหวังใครคิดอย่างนี้ เติอนมากแถ้ที่จริงชีวิตมันจะต้องมีสองข้างพอเรามองว่าสองหวังผิดหวังผิดพลาดกับสมบูรณ์แบบในราคาเท่าเดียวกันนะทีนี้ไม่กลัวอะไรเลยนะอาตมาเขียนบทความมาไว้ตั้งชื่อว่าถูกชมก็เข้าท่าถูกด่าก็ไม่เลวเพราะว่า oh. มันเจอมาแล้วทั้งสงรูปแบบเพราะฉะนั้นไม่ไม่ค่อยตีราคาอะไรสูงกว่าอะไรนะเนี่ย ถ้าเรามองความผิดพลาดก็ดีความสมบูรณ์แบบก็ดีความสมหวังก็ดีความผิดหวัก็ดีในราคาเท่ากันที่นี้ไม่เป็นปัญหาละนะด้านบวกด้านลบของชีวิตที่เราเจอไม่เป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะเราจะมองว่ามันคือองค์ประกอบของชีวิตของคู่นี่ถ้าคิดอย่างนี้ปั๊ก็มีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นฉะนั้นใครที่ผิดพลาดในเรื่องไหนก็อย่าไปกลัวผิดกับลาดก็ไม่เหมือนกันนะผิด รู้แล้วฝืนทำพลาดรู้ท่าไม่ถึงการแล้วทำไปผิดไม่ควรจะเกินสามครั้งนะผิดนะผิดหนึ่งเป็นครูผิดสองเป็นอาจารย์ผิดสามเป็นความดักดานเชิญออกเลยนะันผิดสามเนี่ยนะแต่ถ้าพลาดเราต้องให้โอกาสตัวเองได้แก้ไขทุกครั้งเจ้าชายสิทธัตถะคนคว้าทนลองผิดพลาดอยู่หกปี แต่พอเข้าสู่ทางที่ถูกต้องคืนเดียวบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะเข้าสู่ทา ง, งที่ถูกต้องซึ่งเป็นทางที่ตรงกันข้ามจากความผิดพลาดก็ด้วยอยู่ในสมันสิการคือการคิดที่ถูกต้องคุณจำนวนมากที่ผิดพลาดแล้วแก้อะไรไม่ได้เลยเพราะมัวไปแก้อย่างอื่นนี้คุณยมทำโน่นผิดพลาดทํานี่ผิดพลาดแก้ดวงเมืองบังแก่หงทวยบังย้ายสิงโตหน้าเอาติบัง เปลี่ยนชื่อบ้างอยาจากพันดาบ้างอะไรก็ว่าไปแล้วไม่เปลี่ยนวิธีคิดแก้อะไรไม่ได้นไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะฉะนั้นทุกครั้งที่เราผิดพลาดอย่ามวถามว่าใครทําให้ฉันผิดพลาดแต่ให้ถามว่าเอ๊ะฉันผิดพลาดเพราะอะไรนี่ถ้าตั้งาำถามเลิกนิดเดียวนะเอ๊ะฉันผิดพลาดเพราะอะไรคําตอบเอียงมาเลยหนึ่งสองสาม แต่ถ้าเราเชีนิ้วไปว่าใครทำให้ฉันผิดพาดรับรองนะไม่มีทางที่เราจะกลับเข้าสู่ทางนี้ถูกต้องฉะนั้นถ้าเราไปมองหลวงพุทธปฏิมาทุกองสายพระเนตรลงต่ำมากแค่นี้นั่นสะท้อนว่ า, ก, ก, ก, า, า, าก่อนจะมองไกลให้มองใกล้เวลาเราทำอะไรผิดทลาดก่อนจะมองไกลให้มองใกล้ก่อน มองมาที่ตัวเราแล้วเราจะเข้าสู่การแก้ไขความผิดพลาดที่ถูกต้องและ ว, ว่าอย่างตรงไปตรงมานี้ความผิดพลาดถูกสร้างขึ้นมาในฐานะเป็นเครื่องมือทำให้เราเกิดการดนรุกทุกๆครั้งที่เราผิดพลาดควรจะมองเหมือนเราปั่นจั ก, กรยานนะอาตมานี้ตนเป็นเด็กเนี่ยไม่มีจั ก, กรยานเป็นของตัวเองเหรอกเอาจั ก, กรยานของหลานมาขี่จักรยานที่เลิกใช้แล้วอ่ะ อย่างก็ไม่ดีลูกปืนรถก็ไม่ดีคอรถในหมุนได้ไยรอบเอามาฝึกขี่โอ้ยหกลม้มหกลรถลละละทะลาะปอกปืนทุกครั้งที่เราลม้ลมลงไปเราก็บอกฉันจะต้องขี่ให้ได้ที่นี่พอขี่เป็นพวกจักรยานคันนี้จะมาขี่ได้คนเดียวไม่มีใครใช้ร่วมกับทํามาได้เลยแหน้ให้เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตเหมือนเราฝึกปั่นจักรยาน ชีวิตมันน่าทีดว่าตรงนี้คือมองว่ามันเป็นจั ก, กรยานนะเราปั่นมันไปล้มมันลุกขึ้นมาใหม่ปั่นแล้วไม่ล้มมือลุกขึ้นมาใหม่จนหล้ังหลังมานี้พอจะมาเป็นแล้วเนี่ยนะคุณอยอมเชื่อไหมไม่ต้องจับแฮนด์จั ก, กรยานนี่ขี่จั ก, กรยานแล้วก็มือกกอย่างนี้เลยนะปวดทึ่งเพื่อนทำเช่นนั้นได้เพราะอะไรมันผ่านความผิดพลาดมาแล้วนะับครั้งไม่ถ้วน หกล้มกลุก ช, ชนนู่นชนนี่เนี่ยเราก็จึงจึงได้บทเรียนที่ดีมาฉะนั้นเราจะก้าวข้ามคําผิดพลาดก็ต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องนั่นคือถ้ามันผิดท่าแล้วให้หมองว่า น, นี่คือการเรียนรู้ น, นะเอเดนลันนี่เขาก็ผิดท่าดั้นเท่าไหร่นะตับาต่างๆว่าไว้ไม่ตรงกันน่ะบางตราก็บอกว่าเก้าพันเก้ารยเก้าสิบเก้าครั้งทดลองหลอดไฟเนี่ยเพื่อนนักวิจัยมาลางออกยกแข้งเลยนะ ผลที่เพื่อนให้ก็บอกว่าแต่เดนสันผมขอเล่าออกนะไม่อยากได้ชื่อว่าผิดหวังครั้งที่เหมือนใครบอกว่าเฮ้ยผมไม่คิดว่ามันผิดหวังหรือผิดานะผมคิดว่านี่คือการเรียนรู้วิธีที่ไม่ได้ผลตั้งเก้าันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคำไม่แน่นะอาจจะสมหวังทั้งที่หมื่นก็ได้นะเพื่อนบอกเชิญสมหวังเป็นคนเดียวและในที่สุดการสุดท้ายใจก็สมหวังนะทําหลอดไฟส่งสว่างได้ตั้งสี่สิแปดชั่วโมง นี่ก็เติบโตขึ้นมาจากความผิดพลาดให้มองความผิดพลาดว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้มองความผิดพลาดว่าเป็นเสมือนเห็นหลงทองถ้ามองอย่างนี้ปุบไม่กลัวแล้วผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ตั้งต้นใหม่เท่านั้นเองเอาต่อไปนี่มีเยอะเลยนะขอบคุณความริษยาที่ทําให้กล้าสร้างสารรค์สิ่งใหม่ขอบคุณความวิพาควิจารณ์ที่ทําให้พลีบานหนึ่งไ ร, ร่ข้อตำแหน่งขอบคุณความไม่รู้ที่ทําให้รู้จักครูชื่อประสบการณ์ ขอบคุณความผิดหวังที่ทําให้ตั้งสติเพื่อลุกขึ้นมาใหม่ขอบคุณศัตรูที่แก่งกล้าที่ทําให้รู้ว่าเรายัางไม่ใช่เหมืองชีพเอาตรงศัตรูแล้วกันทุกคนต่างก็มีสงครามส่วนตัวนะในห้องนี้นะสงครามอย่างที่หนึ่งสงครามปากท้องมนุษย์ทุกคนต้องหาอยู่หากินนะพอบออยู่พอกินไหมทุกวันนี้พอกินนะทําไม่พอจะบอกคนไม่ตายเพิ่มบนนะใหร ใกล้สิ้นปีละนี่คือสองครามส่วนตัวของเราทุกคนนะสงครามปากท้องทุกๆวันตื่นมาทาสงครามตัวเนี่ยสองสองครามความรู้ต้องดิ้นรนหาความรู้สามก็สงครามเศรษฐกิจต้องตั้งเนื้อตั้งตัวให้มีความมั่นคงสี่สงครามสถานภาพอยู่ในสังคมต้องมีสาาศาสนาสี่ ห้าสงครามคือสันติสุขในหัวใจหกสงครามคือความเจ็บไข้ได้ป่วยและเจ็ดสงครามสุดท้ายรบกับพญยายายงยังไม่ปรากฏว่าใครชนะนะเรียบวุฒิหมดเลยนะฉะนั้นเราทุกคนนี้มีสงครามแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราจะมองว่าสงครามทุกอย่างที่เรากำลังสู้่ะยิ่งเป็นสงครามที่รบแตกหับ เข้มข้นรุนแปง ก, ก็เป็นเหมือนศัตรูที่แข่งกร้าวพอมีศัตรูที่แข่งกร้าถ้ามองในเชิงบวกนะจะทำให้เรานี้มีความเป็นเหนือนชีพสูงแต่ถ้ามองในทางลบศัตรูที่แข่งกร้าจะทำให้เราถอยฉะนั้นเราควรจะมองศัตรูว่ายิ่งยิ่งแข่งกร้าเขากำลังทาหน้าที่เป็นครูฝึกให้เรา จะพัฒนาให้เราเป็นเหมือเชีพยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, นถ้าคุณโยมไปเจอศัตรูที่แก็กล้าแล้วเนี่ยคุณโยมยังพวกเปียบ ก, กลับมาก็บอกตัวเองว่าเรายังไม่ใช่เมือเชีพยบยิงใช่ไม่ได้อาตมามีหลักอย่างหนึ่งเวลาถูกชมเวลาถูกกำหนดเวลาได้รับรางวัลอาตมาจะดูแข็มไม้หัวใจของตัวเองว่ามันกระเด็กไหมคนรับรางวัลมาถวายกระเด็กไหม ค น, นรเราปัจจัยมาถวายกระเด็กไหมแต่มาจำได้มาอยู่งเทพปีที่สองนะบวชพระละไปบดินท่าบาทที่สายการบินเทเวนแอร์ไลน์นะแถวกระสรวงศษาแถวตลาดเทเวนมีวันหนึ่งโยมเขาก็จัก บ, บาทด้วยแบงค์ห้าสิบใหม่มากเลยนะม่ยีเทียมเลยช่วงนั้นมีแบงค์แบงชนิดนี้ออกมาใหม่โอ้พอเห็นแบงค์ปุ๊บมันลืมข้าไปเลยวันนั้น ทำไมก็สังเกตใจตัวเองว่าทำไมมันกระเพื่อมขนาดนี้โกรธมากนะคนเดิมนะคือเราไปรู้จากกิเลสมันเราตอนนั้นอ่ะตอนเห็นแบงค์สีบาทกลับมาแตมาวางบาทแล้วเช้านั้นไม่ฉันแตมาอยากเอาชนะมันถ้ามันแย่ขนาดนี้ไม่ต้องฉันมันน่ะเอาเอาแบงค์ห้าสิบไปชงกินเลยเนี่ยศัตรูที่แก่งได้เราถึงได้รู้ว่าเรายังไม่แน่ยังไม่ใช่มือนที่เจอไปแค่ห้าสิบบาทนะ โอ้โหสัวิงสุดๆเลยเดินกลับบ้านเนี่ยโอ้โหเอกขึ้มใจฉันมีบ้างไหมโอ้โหมันชื่นโหยชื่นใจนะกลัมมาถึงพอเปิดปุ๊บมันหยิดก่อนเลยกี่เลสผ่าทรรมเหเ็นไหมเนี่ยอาตารมั ก, ก็บอกเองว่าถ้าแค่ห้าสิบบาทยังฝุดไม่ได้นะต่อไปแกจะสู้ได้ไงเงินมันจะมาเป็นเหมือนเป็นแสนเป็นล้านนะเล้วมันมาจริงๆนะ ทอดกระถินปีที่แล้วได้หกล้านอ่ะมันมาจริงๆแต่มันไม่แต่เลยพอดกระถินสี่ปีปีแรกได้สามล้านปีที่สองได้สี่ล้านปีที่สามได้ห้าล้านปีสุดท้ายได้หกล้านทุกครั้งไม่มีเงินที่จะมาชักเข้าเนื้อแม้แต่บาทเดียวตรงเรียนเลยเสร็จเล ย, ยแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรตั้งแต่ต้นจนจบ น, จนะ เนี่ยมันต้องต้อฝึกขนาดนี้คนรำคนบางคนบอกเราอุ้ยสินบนเลยซื้อฉันไม่ได้ทําไมซื้อไม่ได้ถ้ามันนันน้อยก็ไม่ได้หรอกค่ะเจ๋งไหมเพราะฉะนั้นพวกที่บอกว่าไม่ไหวติงเลยเนี่ยนะลาศกากกราคนไม่ไหวอย่าไปเชื่อนะอย่าไปเชื่อให้มันลองก่อนนะลองไปเรื่อยๆก่อนยังนะไม่ลองยังไม่รู้หรอกที่พม่า ที่พมา่าเขามีวิธีวัดพะว่าหัวใจของพระนั้นจะไหวไหมเมื่อเจอสิ่งสูงค่าเอาพระมาก้ารปูปพระทุกรูปจะมีเข็มไม้หัวใจประกวดอยู่ตรงด้านหลังด้านจองท่านวันหนึ่งหลวงพ่อก็เอาเช็คมันสดมาให้แต่และรูปเท่ากันนั่งเปิดพร้อมกันทบ พาะเก่ารูปแปลกเช็ดท้องกันเข็มไม้หัวใจทุกรูปกระเด็นหมดกระเด็นกลไปกลัมากลับไปกลับมามีหลงตาอยู่รูปหนึ่งไม่กระเด็นพอเจ้าวัดเข้าไปในที่สุดพระบวชใหม่กลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากที่สุดคือไม่กระเด็นอะไรเลยสุดยอดแล้วหลวงพ่อจากนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อ ได้รับการโยกย้าให้เป็นครูบาอาจารย์ประจําวัดน่ะครับสักพักหนึ่งคณะกรรมา ก, การคนหนึ่งลุกมากระซิบบกพ่อเจ้าว่าหมอไอ้ออที่ไม่กระเด็กนี่ยังไงวนะน่ะลงเช็คใหม่ซิก็คณะกรรมา ก, การก็เช็คใหม่ชายภา้าปริมาตรสมดุลปรากฏว่าไม่ใช่ไม่กระเด็นแต่มันกระด็กทีเดียวแล้วมันขันไปเลยคือมันตีกับปุ๊บนิ่งไปเลย หนักกว่าเพื่อนของคนอื่นมันกระเดกแล้วมันแกว่งไปแกว่งมาใช่ไหมความโลภมันขึ้นขนงลงลงของหลวงตานี่พอกระเดกปุ๊บเป็นร้อยแปดสิบแล้วนิ่งเลยโลภมากที่สุดเอ็นละเนี่ยมันต้องตัดสินกันด้วยกล้องด้วยภาพนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็แ ส, สดว่าเจอศัตรูที่แกร่งกล้าและผมได้รู้ว่ากิเลสมันฝังตัวกินนึกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองมองศัตรูว่ายิ่งแปลงกล้ายิ่งเป็นครูที่ดีทีนี้คุณยมก็ไม่กลัวอะไรนะไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวเหมือนเราไปอินเดียอินเดียนี้นั่งรถมหาโหดนะปีนี้แตมพัามมี ม, มีมีแผนไปอินเดียสองรอบวันที่หนึ่งหนึ่งวันที่หกก็ไปกลับมาพักอีกสองวันวันที่สิบแดถึงสิบเก้าก็ไปปรากฏว่าเขาเปิดสนามบินรู้รู้สึกตัวถูกหวยมากเลยเม่ได้ไป ถูห่วยครั้งใหญ่ทำไมจึงรู้สึกอย่างนั้น mm. เพราะตะมาเนอรู้สึกว่าถ้าไปอินเดียนะตะมาไม่กลัวอะไรเลยตะมากลัวอย่างเดียวคือ น, นั่งรถห้าสิกิโลเมตรคุณจะมาจจะนั่งครึ่งวันนะ mm. อะไรเพราะถนนมันไม่เดียวเลยนะทั้งขรุขระทั้งถนน เ, นเร็วทั้งคนทั้งวัวทั้งควายทั้งนกยุงพระราชามหากาัตร์มันใช้ด้วยกันหมดเลยนะ ครั้งหนึ่งคณะของวัดรรมาไปเจอวัวคุณโยมแล้ววัวมันก็เคี้ยวเอื้องเราก็ต้องรอให้มันเคี้ยวเสร็จอ่ะพระนาของเทพเจ้าแต่ไม่ได้รอให้เขาเคี้ยวจนเสร็จแล้วมันก็แบกนะเหมือนเหมือนจะรู้นะเค้ยวเสร็จแลหัมนมานิ่งต้องทำเฉยไว้เนี่ยฝึกเอาแล้วก็มีญานิโยมหลายคนบอกทําเมโลต้องรอ ก็มีคุณนายคนหนึ่งบอกนี่คุณไหนว่าทัวชั้นยอดไงแล้วปัญหาแค่นี้คุณแก้ไม่ได้หรอทุกทุกเที่ยวนั้นจะมีคนประเภทนี้อยู่นะปร ะ, ประเภทที่แบบไฮโซหรูเตชารุวิจิต <c oughs> <c oughs> พวกนี้ไปเจอปัญหารับไปได้ฉันซื้อทัวร์มาเนี่ยในทัวร์ไม่เห็นเขียนนี่ว่าจะมีเหตุการณ์แางนี้เกิดขึ้นซึ <c oughs> ่วมาพูดอยู่หลังอาตมาแล้วนะคุมยยนั้นไปไ ป, ไปขู่ทัวร์เลเตอร์ โคลเลดเอร์ก็เสียไปดึงดูดพระาจากช่วยด้วยธรรมตไม่จับมหมยนะต้องพิกสถานการณ์เล่าตำนานบัวว่าไปยังไงมาอย่างไงบัวที่นี่ถึงมีเกียรติมีศักษิีมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราชื่ออะไรโคตมะเข้าไหมโคตมะโคธมะก็คือโคจั่หันนะ มนไม่ใช่ธรรมดานะมันเป็นชื่อสกุลวงเลยนะเพราะฉะนั้นคุณไปที่รถคุณอย่าไปแตกบัวทีเดียวนะยิ่งใหญ่มากเพราะคนนับถือเป็นเทพเป็นอะไรทั้งนั้นฉะนั้นพอรถมันติดเนี่ยเราก็ต้องรอนี่ดูที่ว่าศัตรูที่แกงกล้ามาแล้วเอาและขันติดที่ฝึกไว้าทนได้ไม่ได้ต่อมาก็นั่งอ่านหนังสือหลายคนขันแตกแล้วก็ขัน ที่ต้องมาขเพราะว่าก่อนไปเราไประทับนิเทศแล้วเราเตือนแล้วนะว่าลําบากนะเปลี่ยนใจได้นะคุณนายนะคุณหญิงนะอูอ้ไปกันทันหอยังไงก็ได้เขาไปเจอคงจีิงแค่วัวตัวเดียวกีเลส ก, กันโดดออกมาเลย <c oughs> เห็นชัดเนี่ยฉะนั้นให้เรามองศัตรูว่ายิ่งแก่งกล้ายิ่งท้าทาย <c oughs> เขาจะที่สุดให้เราเห็นทีเดียวว่าที่ฝึกฝึกกันมาทั้งหมดได้ผลหรือไม่ได้ผล ถ้ามันไม่ได้ผลฝึกใหม่นะถ้ามันได้ผลอยู่แล้วบอกตัวเองว่าดีจังเลยเพิ่มคะแนนให้ตัวเองฝึกต่อไปมองว่าศัตรูก็คือครูฝึกแล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรนะคุณดมนะมองอย่างนี้ยนะคุณดมแล้วชีวิตเนีสนะ่สนุกมากมองว่าศัตรูคือครูฝึกน้าสนุกมากมาไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ลํบาบากแค่ไหนก็ทนได้เนี่ยให้ฝึอย่างนี้ เอาอีกสักข้อหนึ่งนะขอบคุณความรพระบผิดที่ทําให้เราสละจากความมิติดเือมันอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เพิ่งไปเจอมาล่าสุดมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่ปีสนีะ่มีผู้ชายคนหนึ่งมาจีบนักศึกษาคนนี้ก็ถือว่าหน้าตาดีมากอยู่ที่เชียงรายเวลาจะมาไปเทศแถวจชงรายก็ตามไปฟังทุกครั้งทีนี้คนที่มาจีบเนี่ย เป็นคนที่เธอยังไงก็ไม่เล่นด้วยแต่รักนะแต่ยังไม่เคยได้ง อ, อกอะ่ะค่อยๆให้ว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนมันไม่เหมือนสมัยนี้รักนะจุ๊บจุบ <c oughs> คนสมัยก่อนเขาไม่พูดนะ <c oughs> เออรักนะแล้วเขาเก็บไว้ <c oughs> ไว้เนื้นไว้ตัวนะแต่นี้มึงแหมบางทีเรานั่งดูข่าวดูนะรัก เกดนะจุ๊บจุ๊บไม่รู้มันเขียนสือสารกันได้ยังไงคนทักประเทศเห็นหมดนะเ <c oughs> นี่ย s อ s แอนมสต่คนยมเห็นไหมเห็นดนลอดเลยสื่อสารกัน่ดูันทั้งประเทศเธอก็รักโนนสนทนตัวด้วยความมีธรรมะนะรักแต่ไม่ตัวใดหออกรับอยู่มาวันเดิมแฟนก็ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เวสปาเล็กๆโทรมาชวนัง้งแต่ขวันเนี่ย <c oughs> ไปทำพิธีเปิดรถให้หน่อยดิทำพิธีเปิดก็คือไปซ้อนท้ายให้หน่อยอุตส่าห์ซื้อรถใหม่นะั้นช่วยเป็นซ้อนท้ายให้หน่อยเธอไม่ไปวัวเด็กตีนขาดไม่ไปเลยชวนะไปดูนั่งไปตั้งเพลงไปกินซูชิเอ็มอไฟท์หมดเพราะเพราะว่าที่แฟนซื้อรถใหม่มาชวนไปนั่งไม่ไปคืนนั้นสี่ทุ่มจู่ๆได้รับเอซสไม่ใช่เอซไม่ใช่เอซิเมสมิส ค, คอร์มิส ค, ค, ค, คอประมาณสิบสี่ครั้ง เธอเห็นทุกครั้งแต่ไม่รับยิ่งเขามิสโทรมาบ่อยมากขึ้นเท่าไหร่เธอก็รู้สึกว่าสงสัยเขาเป็นแฟนไม่ได้ไอ้หมอนี่มันโรคจิตคุณเรามันโทรมาครั้งเดียวไม่รับก็น่าจะรู้ต้องรากอยู่นั่งแหละเข็ดแบบนี้แล้วคุณยอมเชื่อไหมเกิด อ, อะไรขึ้นวันรุ่งขึ้นตำรวจมาหาที่บ้าเ อ, อ่อคุณเชื่อไหมครับ เมื่อคืนมีคนขับรถเมาแล้วก็ตกคูข้างทางสิ่งที่เราพบในที่เกิดเหตุก็คือมือเขากำโทรศัพท์ชูขึ้นมาแล้วนอนเพ่งตะล่งอยู่ใช้คันหมดแล้วมีอาการช้ำหน่ถูกของแข็งกระทบอย่างแรลโทรศัพท์มันชัดเจนว่าเขาโทรหาคุณคุณเป็นอะไรกับเขาถ้านนั้นเองน้องคนนี้ร้องให้เลยก็จะไปดูสอ ที่ครูนะเป็นลมเลยเพราะอะไรเห็นในโทรศัพท์ว่าเขาพยายามโทรหาเธอตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุคือถ้าเธอรับครั้งแรกนะคุณผู้มนะให้คนไปช่วยกันอุ้มขึ้นมาจากคลองน้ำนรอดในที่สุดผู้ชายคนนี้ตายพร้อมกับชูโทรศัพท์อยู่นี่คือตัวอย่างนะมิสคอร์นะใครที่ไม่ให้ความสำคัญกลับไป เนะพราะเกิดความแปรผันขึ้นมาแล้วผู้หญิงคนนีแบบ้รู้สึกเผ็ดรู้สึกเผ็ดมากมากเธ <_ S 1> อบอกว่าเขาองรักเรามากพ่อแม่พี่น้องเขาไม่โทรหาใครสักคนโทรได้มี่สิบสี่ครั้งย้ำแล้วย้ำ อ, <_ S 2> อีกโอ้ไม่น่าเชื่อรักนะแต่อยากจุกๆจุไม่อยู่ซะละทำไม่ได้ทำได้อย่างดีที่สุดทำไง ในวันเผาศพวันสุดท้ายเธอไม่ได้ไปร่วมหนีไปบวชชีให้แฟนแปดวันเนี่ยมาเห็นคุณค่าตอนเขาไม่อยู่แล้วถ้าไม่เป็นอย่างนี้มนุษย์ตอนอยู่ด้วยกันดีๆจะพูดดีด้วยกันก็ทำไม่เป็นตอนเริ่มปว่วยเริ่มไข้เริ่มจะพลาดเริ่มเวลาเหลือนะ้อยจริงกลับเข้ามาดูแลตร น, น, นวิบัติพัดวีมาพูดดีมาโอภาคาสัย อะไรอะไรกำลังก่อเกิดความรู้สึกดีๆหมดเวลาฉะนั้นเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะอย่าปล่อยให้ความพิดพาดมันเกิดขึ้นแล้วจึงจะมาเรียนรู้เราควรเรียนรู้ที่จะดีต่อกันเช่ว่าพอได้รับมิสคอสุดท้ายแล้วจึงเริ่มเห็นคุณค่าแล้วก็ตั้งฝัิได้ถามว่าพระจัก่ะชาตินี้นะ หนูจะไม่หมองผู้ชายอาตมาเลยถามมารวมพระอาจารย์ไหมลูกเนี่ยตอนนี้ก็เลย <N ee> เลยเไม่มีแฟนนะเพราะอะไรรู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วก็รู้ว่าเขามีความพยายามสูงมากอันนี้คือตัวอย่างนะคุณผู้ชนะว่าก่อนจะพับพลาด ก, ก็ให้ดูแลกันและกันให้ดีที่สุดแต่เมื่อพับพลาดไปแล้วก็ไม่ต้องฉักส่งตัวเอง ให้บอกตัวเองว่านี่คือบทเรียนครั้งสำคัญของชีวิตชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะมีบทเรียนสองประการคือบทเรียนยากและบทเรียนง่ายคนส่วนใหญ่ชอบเรียนบทเรียนง่ายพอบทเรียนยากมาให้เรียนหลับหูหลับตาหันหลังให้ไม่ยอมเรียนก็ถ้าเราไม่ยอมเรียนเมื่อไหรเราจะเต็บตถ้าเราไม่ยอมเรียนบทเรียนที่ยากเมื่อไร่เราจะสอบผ่านทุกคนต้องเจอบทเรียนยากอันตมนี่รักที่สุดก็คือรักแม่ พอแม่สิ้นนี่ยอมาบอกเลยว่าชีวิต น, นี้ใครจะตายฉันไม่เศ้าแล้วสะพานคือไม่รู้สึกว่าจะต้องไปเสียอกเสียใจอะไรเท่าขนาดนี้นะก็ก็คิดว่าดวงแน่นะวันหนึ่งหมาของอดามาเสียชีวิตอุ้มเขาลงฝังพีพพ่พ่ออุ้มลงฝัง อาตมาอุ้มหลวงน้ำตาตาตมาร่วงตามหมาลงไปถึงได้รู้ว่าเรายังต้องเรียนอีกมากยังต้องเรียนอีูอยากเพิ่งสรุปนะอยาเพิ่งสรุปว่าความพับร่าครั้งเดียวสอนให้เราแข็งแกร่งแล้วยังรอต้องเรียนต่อไปอาตมาเขียนเล่าเรื่องหมาไว้ในแถวนะว่าหมาตายแล้ว วันน <c ười> ี้เลยมีโยมมาหมามาตักบาตหนึ่งตัวได้พันเดียวกันเลยได้หนึ่งตัวเออเป็นอย่างนั้นตาคือพอหมาตายเนี่ยตมาก็บอกตมาจะไม่เลี้ยงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมมันเคยมีหมาตายมาแล้วไงหมาตัวแรกที่ตายลูกศิษย์มันบอกพระอาจารย์หมาตายแล้วทีนี้ตมาก็รักหมามาตมาบอกตายก็ฝังดิลูกศิษย์รับ ตอนกลางวันลรกเศรษฐีเข้ากันคุยกันแต่พระอาจารย์เราธรรมะลึกมากห ม, มาตายนี้ไม่มีอาการกลางคืนส่วนบนอนตมาเขาบอกว่าขอแก้ข่าวนะไม่ใช่ไม่มีอาการแต่ไม่กล้าไปดูหมา <c oughs> คนเคยรักกันมาคนเดียวแล้ววันหนึ่งไม่บอกไม่ข่าวน้ำลายฟูมปากตายไปใต้บันได แต่มาไม่กล้าแนมะ้จะไปดูหน้าเขากลัวคนอื่นเห็นุความอ่อนแอทุกเสดบอก ง, งั้นเหรอรับ <c oughs> ทุกๆครั้งที่มีความรักพลาดเกิดขึ้นก็คือบันไดขั้นหนึ่งให้เราได้เรียนรู้เรียนรู้ไปไเรืร่อยๆนะเรียนรู้ไปมันอาจจะเจ็บปวด น, น่อยแต่มันก็คุ้มเพราะถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เลยเนี่ย วันหนึ่งบทเรียนที่ยากที่สุดในชีวิตมาถึงคือตัวเราเองจะต้องพัดคลากจากลมหายใจสุดท้ายของตัวเองถ้าเราไม่เคยเรียนไว้เราจะไม่มีปมคุมกันฉะนั้นให้มองความพรดคลาดว่าเขาสอนให้เราเนี่ยสลาดจากความยึดติดถือมัน่นทุกทุกอย่างที่เรายึดวันหนึ่งพัดคลาดหมดทุกๆอย่างที่เราก็พร้อมวันหนึ่งพรดคลาดหมดทุกทุกอย่างที่เรา ถือกต่รู้สึกวันหนึ่งทักาว่แม้กระทั่งของที่บางเบาที่สุดไม่เกินเลยที่ไม่เหนื่อยนั้นอ่ะคือเราหายใจก็จะไปจากเราฉะนั้นเราฝึกฝึกปล่อยไปเรื่อยๆนะฝึกไปโดยลำดับหลังถ้าสุกได้ผลแล้วเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันไปเรื่อยๆในยุคสมัยนี้เราเห็นว่านักการเมืองของเรานี้ฝึกฝึกปล่อยได้เยอะ เช่นทำเนียบเก่ามีคนยืดหม้ก็ปล่อยเลยอยู่ทำเนียบดอนเมืองแทนทำเนียบดอนเมืองดอนเอ็มเจ็สิบเก้าก็ไม่เป็นได้ก็บย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเลยฝึกพลาดๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ฉะนั้นไี่ว่าจะฝึกจริงฝึกเล่นถ้าเรามองว่าทุกๆครั้งที่เราพลาดพลาดจากใครนะคุณผมนะมันจะทําให้เราได้มาเสมอขอให้รู้ไว้เลยนะว่าทุกครั้งที่เราเสียอะไรไป เราจะได้กลับมาเสมอไม่ใช่ในแง่เข้าของหรอกแต่ในแง่จิตใจจะมาเคยมีมีรูปอยู่ใบหนึ่งเป็นรูปที่มีความหมายมากจะมาไปกราบพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งระดับคนของโลกสมัยนี้ตมาเรียนจบใหม่ๆก็เป็นรูปที่มีความหมายมากเพ ร, ะราะ ท, ท่านเป็นฮีโร่ทางจิตวิญญาณของอาตมา ต่อมารูปนี้หายช่วงแรกๆรู้สึกแย่แย่มากนะต่อต่อมามันก็ทำํำใจได้ขึ้นมาหลังจากนั้นมันมันหายสารพัดเลยนะตรงนั้นหายตรงนี้หายสารพัดหายเลยเพราะลูกศิษย์อาจามาขี้ลืมไงคุณด้อมขี้ลืมมากเคยที่ลืมถึงขนาดว่าเขานี่มโนธรรมมาไปเทศที่โรงเรียนในร้อยสามฐานลูกศิษย์อาจามาพาไปโรงเรียนในร้อยที่นครนายกอะ ลืมกำหนดการลืมสถานที่เนี่ยลืมได้ขนาดนี้นะอัตามา ก, ก็เลยฝึกปล่อยไปไเรนะื่อยๆเนี่ยเวลามีความพับผ้าเกิดขึ้นนะฝึกไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปอย่างนี้ก็เราทุกคนก็เหมือนกันนะทุกครั้งที่เกิดความ ร, ราับผาก็ฝึกเอาไว้ว่าความ ร, ราับผ้าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่านี่คือการสร้างผมองกัน วันหนึ่งเมื่อถึงการพัฒนาครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเราจะไม่ตกตกใจเราจะทําได้แค่เป็นผู้สังเกตความพัดฒนาไม่ยึดติดไม่ยึดความพัฒนาครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าไว้ว่าท่านได้นในมลไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายพระกุลเมื่อผู้ป่วยอาการเจียนอยู่เจียนไปครั้งตึองอยู่เป็นวันนะ ตายก็ไม่ตายไปก็ไม่ไปพยายามจะพูดอะไรพระงับพะงัพะ ง, ง, พ ง, ง, พ ง, งัท่านก็ไปหาและสังเกตปากปากเขาพยายามจะพูดอะไรสัก อ, อย่างท่านอ่านปากเขาได้ว่าเชียงใหม่เดีด๋อวดย่า ด, ด, ด, ด, ด, ด้มาถามคุณพ่อไปทําอะไรไว้ที่เชียงใหม่ติ๊กตักติ๊กตัตกตเร็วๆท่านจะไปแล้วเร็วๆคิดไปคิดมาลูกก็บอกว่าเออจําได้แล้วพ่ออุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลเชียงใหม่ เท่านั้นเองคุณโยมพระบอกว่าโยมไม่ต้องห่วงนะลูกหลานจะทำตามปณิธานนะร่างกายโยมจะไปเป็นครูใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่นะโยมสบายใจได้พูดเสร็จปุ๊บตาหลับเช่นครับใจนิ่งจงดิ่งไปสู่ย ม, มโลกเลยเห็นไหมนี่ครั้งตึงมาวันหนึ่งนะเพราะเราอ่านปากท่านออกเราบอกท่านว่า จะทำตามที่ท่านใจท่านก็ไม่ห่วงอะไรเลยนะยอมรับความรับรากโดยโดุสเดีคือเรื่ความยิดีแล้วคนจานวนมากในโลกนี้ที่ตายตามไม่หลับเท่าไหร่เขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าการพระท่าที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดฉะนั้นอุปสรรคของการที่เราเนี่ยทําให้ความพระท่ซึ่งเป็นธรรมดาก่อให้เกิดความทุกข์ก็เพราะเราหวนติดถือมันฉะนั้น ปัญหาไม่ใช่ที่ความพลัดพร่านะความพลัดพรากไม่ได้ทำให้ใครทุกข์แต่การไม่ปล่อยวางความนียติถึงมั่นนั่นแหละตัวนั้นทาให้เราทุกข์ฉะนั้นทุกๆครั้งถ้าคุณยอมจะพลัดพร่าอะไรบ้าง<ส>ก็ให้บอกตัวเองว่าเขากำลังสอนเราให้ปล่อยให้วางนะ<ส>คิดได้อย่างนี้คุณยมจะโตขึ้นโตขึ้นข้างในเรื่อยๆจะมาเคยไปแสดงธรรมแล้วรองเท้าหาย เกินสิบครั้งเลยนะคุณอรมนะเพราะสมภาพสวมรองเท้ายียห้อบาจาสวมมาเป็นสิบปีเลยนะใช้แต่ยียห้อนี่แล้วคนเขาก็อชอบมาหยิบนะแปลกมากขณะไปรับพระราชทานพัดในวัดพระแก้วนะข้าบองมารองเท้าระหมาก็หายอาตรมาก็คิดว่าเออไม่เป็นไรรองเท้าหายจะได้พัดเปลญเก้ามาคุมเนี่ย คิดไปอย่างนี้นะทุกๆความร่าเริงมีค่าเป็นความมั่นคงใ น, ในใจิตใจ